ต้องสนมนต์เยอะๆเพิ่มสมาธิสวดมนต์จเจริญเมตตาก็ดีน ะ, จะเจริญเมตตาพอเราจเจริญเมตตาแต่ต้องเป็นเมตตาที่ไม่เจาะ จ, จงคนนะไม่ใช่มุ่งไปคนนั้นคนนี้เมตตาปัมัญญาแบบกว้างๆให้สัตว์โลกทั้งหลายมีความสุขอะไรเงี้ยสัตว์โลกที่มีความทุกข์ให้พ้นทุกข์ใจมีความอ่อนโยนขึ้นมา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 ก็เห็นเขาก็ดูเข้าไปแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรแล้วครับเราได้แค่นั้น ด, ดีแล้วครับเห็นไหมว่าทุกอย่างมาแล้วไปครับถ้าใจเรายอมรับตรงนี้ได้นะเราเข้าใจธรรมะแนละ้วเรายอมรับความจริงของชีวิตได้เลยว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปต่อไปไม่ว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่เลวจะมานะหรือสิ่งที่ดีสิ่งที่เลวจะไปนะใจก็เสมอภาคกันครันะไม่ทุกข์หรอกรดีไปอา้าวใครจะคุย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 บกระทบนะเช่นไปหาที่ภาวนาที่มันน่ากลัวหน่อยอะไรเงี้ยภาวนาเนี้ยสติปัญญาเจะหมุนจีเลยไม่ช่วยมีนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านภาวนาแล้วท่านง่วงท่านก็ไปนั่งริมภูเขากะว่าท่าง่วงนะตกเหวตายเลยเนี่ยท่านก็ไม่ง่วงนะท่านก็นั่งภาวนาได้ดีวันหนึ่งท่านก็มาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าท่านใช้วิธีนี้แหละผ่านมาได้ ลูกศิษย์เอาบ้างแต่ไปตั้งริมเหวก็กลัวนะก็เลยนั่งริมระเบียงเพราะก็หลดลงมาจริงๆเพราะว่าจิตมันไม่กลัวระเบียงห้า55บ้าว่างคุณชิกราบหลงพ่อเจ้าค่ะรอบสามเดือนมานี้ยอมเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนคือรู้สึกว่ายึดมั่นในสิ่งต่างๆน้อยลงแล้วก็ความทุกข์น้อยลงเจ้าค่ ะ, ะแล้วก็รู้สึกมี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 จะปริกรรมจะทําอะไรนะจิตต้อง alert ไว้น่าไปทำด้วยจิตเฉยเฉยไม่ดีหรอกหลวงพ่อคะทําไมคือคือมีความรู้สึกว่าบังคับให้กลับไปนั่งสมาธิได้ยากมากค่ะหลวงพ่อนั่งได้แป๊บเดียวก็ไม่ยอมแล้วค่ะเหรอทําไมล่ะมันอยากไปทําอะไรอืมันอยากเดินปัญญาหรือหรืออยากไปดูหนังไม่ค่ะ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 จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งนะสมาธิที่จิตตั้งมั่นราั้นสมาธิมีสองงานอันหนึ่งจิตไปสงบนิ่งอยู่ในสภาวะอันใดนหนึ่งอย่างพอเราดูยอดพระพุทธรูปจิตไปอยู่ที่พระพุทธรูปเลยนี่สงบนะนะแต่ว่าถ้าเรารู้ทันว่าตอนนี้จิตเราไหลไปอยู่ที่พระพุทธรูปแล้วการไหลนันจะดับไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะนี่เป็นสมาธิชนิดที่สองที่จิตตั้งมั่นขึ้นมา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 เหมือนนึกนึกคำพูดอย่างเช่นนึกพุโทโธพุโทโธอย่างเงี้ยครับแต่บางทีแล้วอันนี้เป็นการนึกเฉยๆครับแต่บางทีก็ก็บางทีก็อารมณ์นั่งว่างๆสบา ย, บายๆก็อยากรู้ลมหายใจบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราทําทั้งสองแบบมันจะได้ท <ำ S 2> าําควบคู่กันไม่ได้ไดบางทีก็ควบไปเลยบางทีก็นึกบางทีก็รู้ลมหายใจได้ ไ, ได้แต่ไม่ต้องมีอันที่สมนะ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 จิตเนี่ยชอบไปแทรกแซงขันอื่นๆดูออกไหมมันเหมือนกับว่ามันไปเห็นเห็นๆอย่างเงี้ยค่ะไปเห็นน่ะดีจะมันชอบไปยุ่งเลยต้องอย่างนี้สิต้องอย่างนี้สิเนะก็ตอนนี้เริ่มเหมือนกับว่าเรามีความมั่นใจอะค่ะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนถูกต้องแล้วดีแล้วเหมือนไปได้ด้วยตัวเองนะเหมือนรู้แล้วมั่นใจด้วยตัวเองได้หมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะ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 วิหารธรรมที่เหมาะกับตัวเองไม่ค่อยเจอเลยครับวิหารและธรรมมันก็ไม่ไม่กาก็ใจอะไรก็มีอยู่เท่านะั้นแหละหาเอาเองกราบน <laughs> มันมสการคร <45. S 3> ับสี่สห้ากราบนมัสการค่ะหลวงพ่อขอโอกาสแทนคุณแม่คะ่ะอพอดคุณแม่เขาขอส่งกันบ้านค่ะการบ้าเ น, ปานเป็นไงเป็นไงไป